พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบลำดับที่ยี่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ามีชื่อเรื่องว่าอย่าจองเวรกัน พระสามสิบสองบมาชันหกองเมื่อนี่ครบอาการสามสิบสองพระสามสิบสองรูปผาในวัดเท่าอู้ไปเที่ยววิเวกก็มีไปทำบุญหาแม่กม็มี่ไปเยี่ยมแม่ป่วยก็มี่โอ้เมื่อนี่เป็นหลึกสันวันดี ปีใหม่พานไปบอดนฝนตกชุ่มเย็นในเขตทินฐานบ้านของพวกเข้าเพื่อนายุ่งเข้าเมืเ่อนี่เป็นวันที่หาวันที่ห้าม ก, กราคมพุทธศักราชสอง5ห้าร้อยห้าสิบห้าปีใหม่พานไปหามือ่อฝนตกพอดีตกพองามๆ ชุมเย็นทัวอำเภอนายยุ่งของเห่าคิดว่าโจกติตจกกว้างอย่างนี้เบิงๆนะเออมื่อ น, นี่เป็นวันพอเน่นยุย่ยกับเมย์เน่นยุย่ยทำบุญบ้านของเพิลนม่นพระไปสวดมนต์เมื่อวานเมื่อนี่กันได้มาเอาอาหารถวายมากมาถวายพระสงฆ์ในวัดแต่ตามไม่จริงวัดปลาบ้านตาดนะคณะท่าญาติโยมผู้ใดนิมนต์พระพระบอไปสันจังหันในบ้านเ อย่าไปวิตกกลางว่นอันนี้คือเป็นประเภทนี้ขององค์หลวงตาหลวงตามหาบัวนร้งพ่อไปอยู่หันสิบสี่ปีเวลามีคนหลมคนตายในหมู่บ้านเพลินก็ไปสวดให้แต่เพลินโมไปสวดมลแร้งให้ได้เพลินโมไปสวดให้แต่ว่าเพลินไปสวดมติกาปรารชาแล้วก็ไปชุ่มเพิ่งเซตแล้วกั มาทำบุญเอามาทำบุญวัดเพิ่นบอ่อหายไปสันในบ้านกันขืนบ้านไหมขึ้นกันขืนบ้านไหมเนี่ยเพิ่นเพิ่นกระบรับยางมากใหายไปสวดพ้นบ้านหาแล้วก็มาฉันเอาอาหารมาฉันในวัดพ้อมนาพ้อมตากันเพิ่นอาหารถึงจะมากจะน้อยก็มาฉันพ้อมกันพระสงฆ์ในวัดพออยู่ในหมู่บ้านมันอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่า นัน่ น, นอุดอรเพิ่นจะรับทีหนึ่งเพิ่นก็บอกคอยรับอีกรับนิมนต์เพิ่นบอกว่าวัดป่าบันดาดเนี่ยทหาวัดรับนิมนต์ทุกครั้งที่เขามานิมนต์ที่ผมมีพระอยู่ในวัดเลยเป็นวัดมิจะไล่าการกิน่นมิจะไล่าการคิด น, น, นิมนต์เพอยนั่นเห่าบ่อยหรับบ่รับนิมนต์อันนี้คือวัดป่าบานาันดาศหลวงตาเพิ่นเด็ดขาดแต่หลวงพ่อเนี่ยหลงพ่ออินเนี่ ที่เอาอยางหลวงตาเกิดจังไหนอยู่บัานกระบอนั่นเออเรื่องเธอออกตัวญาติโยมมากวโอ้ในม่อนหลวงพอ่อเออเเอาเอายืดยืดจุนจุนไปฮะแต่ตามไม่จริงอันนี้บอกให้ฟังก็คือเรื่องของหลวงตาปฏิปทาของหลวงตาจุหวัดปลาบัานตาดโอ้ลูกไห้หลานไห้ซัทชายาติโยมฟังโดยมาเพิ่นไปเออเพิ่นชาบ้าไปฉันในหมูบ่บ้านเวลาสวดม่อน งานศพโรคงานคนตายเยเหมือนเศ้ามากเนี่ยเอาจังเอาอาหารมาถวายพระในวัดนี่แหละคนว่าเอามาฉันพ่อหมาพ่อมตากันมันจะได้บุญหลายตัวอลงตาว่าใช้ฉันทั้งสองสามสี่องค์น่ะเอามาสันเถอะพระยี่สิบสามสิบสี่สิบองค์เนี่ยที่ทบุญที่ทํำบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งผู้ใดก็น้อมลำลึกทำไมในใจทําบุญอุทิศส่วนกุศลพอแม่ปูยานตาย่าย ป้องสาคนาญาิที่หลวงรับรับคันไปอุทิศชนกุศลให้ในใจของเฮ้าอุทิศทำไมเปิ้ลก็ย่ำไมาอีกว่าเนี่ยอย่าไปให้แต่ผู้อื่นอุทิศให้เจ้าของเจ้าของตรงเฮ็ดเองคณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิอยากได้ยั้งเฮ็ดเอาไปวัดไปว่ากันไปไหวพระสวดมนต์นางภาวนาทำบุญทำท่านเฮ็ดเอา ยังมีชีวิตอยู่บาดฮาตายไปแล้วนะ่ะให้ผู้อื่นเฮ็ดให้มันพ่อปนั่นแหละคือขันเขาเข้อสั่งผู้อื่นเฮ็ดงานแทนเฮ่าห้างนะเทือกเขเฮ็ดดีอยู่ห้างเทือกเขเฮ็ดพ่อมาหล่อมก้อนแก้มนะห้างเทือเขาขี่ ข, า น, ข, า, ขานเขาขี่ขานข้าสั่งไปแล้วลืมลืมลงหลงไปเอาไปมาเรือโบเฮ็ดให้ซําอันนี้คือกันนะเมื่อเขาตายไปแล้วเขาโบเห็นเฮ้าแล้วเขาสิมีเจตตนามีความรัก เข้าหลบหักเอออีพออีแม่พอแม่ของเฮาหาเงินทุนมาให้ให้หน้าทรัพย์สมบัตินี่พอแม่ให้มากพวกเฮาจึงลาจึงรวยจึงส่เมื่อเพิ่นห่วงรับไปแล้วตายไปแล้วพวกเฮาควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิ่นแต่ละเดือนแต่ละปีหรือว่าครบหลอบวันมรณะภาพของเพิ่นโดยมากมันยากเอยมันยาก เพราะนั้นคณะเห่ามีชีวิตอยู่นี่อยากเฮ็ดยังเฮ็ดเอาหลวงตาเปิลมหาบัวน่ยเปิลบอกยังทันเลยเปินบอกอนนบให้พึ่งผ้าอาศัยผู้อืน่นให้เจ้าของเฮ็ดเอาเองอยากได้ยังแต่คณะเจ้าของอยังขี่คานเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วยังไปวัดไปว่ายัางขี่คาดให้ท่านรักษาศีลภาวนาไหวพระสวดมนต์ยังขี่คาดเราจะให้ผู้อื่นขยันเฮ็ดให้เจ้าของ มันยากอยู่เ้ยเป็นการขอให้พวกเข้าศรัทธาญาติโยมทุกขูทุกคนนะที่บอกให้ฟังเนะี่เป็นแนวความคิดของพววเข้าทั้งหลายให้สางบุญสางกุศลจะตั้งอยู่ในความประมาทพราะชีวิตของพววเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วสักปีแล้วให้ยกตัวอย่างของหลวงพ่ออินเนี่ยนะอีกพวกี่ปีก็เจ็ดสิบแล้วเดปีนี้ก็ห ก, กสิบห ก, กนะเดือนเมษายนก็ เอจะเขาเจ็ดสิบเจ็ดแตได้บาทหกสิบเจ็ดแต่ได้บาทยางหกสิบเจ็ดล่ะยางไก่เขาไปเรื่อยบางคนคุมมือเนี่ยขันพ่อหอดฟันเกิดมากครบหล่อันเกิดมาสนุกสนานเพิดเพิ่นเฮ้ห้ามอล่ํำมอล่องมี่วงดนตรีเลี้ยงแขกเลี้ยงโต๊จีนตามไม่จริงเลี้ยงโตจีนแกแม่นอยู่ข้างเทือกกะหางเงินในการนั่นอีก หาเงินกับลูกกับล้านอีกแต่ตามม่จริงมาสนุกสนานเพิดเพื่อนเฮ่หา่านอันนั้นโมเมนต์โมเมนจังใดคือกันกับพญามัจจุราชนเอมัดแขนเท่าไงจูงเข้าไปหาลักประหารหน่อยอลักประหารคือลักขานะลักทวงข้อน่ะอย่างกอซอจอกกอซอนําหลังพญามัจจุราชอยู่บาดาไปหอดโมเนอ เออพักไปก่อนนะเจ้าปีเน่งเละเมื่อเปนพักเนาเพราะยังดึงไปอีกอยู่ปีเน่งแล้วเออพอปีเน่งแล้วสนุกสนานกินเลี่ยงมูเพื่อนมองหลองล่าทําเพ่งสนุกสนานทั้งทีมันยังเข้าไปใก ล, ลก้ลักหลักป่าหารเพ่อะแห้งแล้วเอะยังไปสนุกอยู่ถา้าตามไม่จริงเนี่ลักของพุทธศาสนาแล้วเพลินบ่อยเหตุสั้นเลยเพราะในเหตุจังไดร อโยมากตัวใดแห่งให้สำนึกสำนึกลำลึกให้สางบุญสางกุศลยาตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของเห่าขนาดนี้แล้วอีกสักมือต่อไปไพ่ภาคนาเนี่ยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมขําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเห่ายาตั้งอยู่ในความประมาทให้บําเพ็ญกุศลให้สางบุญบุญญาบรารมี เขาสู้จิตเขาสู้ใจของพวกเข้าอีกสักมือหนึ่งบอไว้มือได้ละอีกมือหนึ่งข้างหนานี่ล่ะคนหมัวล้านเพป็นว่าวันถวนเจ็ดไงวั่นถวนเจ็ดก็คืออทิศจันทังคารเพิ่พุธ พ, พระหัสสุกเสาเนะี่ยจิตตายในวันถวนเจ็ดนี่แหละเปะ็นว่าอันนี้ก็คือให้ข่าวว่าพอให้เข้าตั้งอยู่ในความประมาทให้พร้อมูผ้ากันสางบุญสางกุศลเขาสู้ใจของเจ้าของเน้อ บุญกุศลนั้นมันเข่าสู้ใจของเฮ้าเน่ยคล้ายๆเขาว่าใจของเฮ้าคือน้ามทัทธรรมที่มองเรเห็นโดยตาเนื้ออแต่ว่าบุญกุศลเนี่ยใจของเฮ้าเนี่ยเป็นตูเซสพตูเซพเก็บบุญเก็บบาปรับบุญรับบาปไปนี่ในหันขันว่าเฮ้าเฮ็ดบุญบุญกับไหลเข่าสู้ใจของเฮ้าขันว่าเฮ้าเฮ็ดบาปบาปกับสู้ใจของเฮ้าใจก็คือ ใจเป็นผู้เหต์เด้ใจเป็นผู้เหต์บุญใจเป็นผู้เหต์ บ, ตบาปจังว่าเป็นยังไงอย่างครับว่าเหต์ใจคืดชะก่อนใจคืดชะก่อนยังค่อยเหต์บุญใจคืดชะก่อนยังคอ ย, คอยคอยบอกใจคืดชะก่อนยังคอยทําคําว่าใจคืดไปในท่ามเี่ขาผู้อื่นบ่ขมโมยผู้อื่นเหต์ความซัวคืดชะก่อนแล้วก็เอากายเหต์เหต์ความซัว ทั้งขาทั้งป่นทั้งหลักทั้งขามุ่ยเห็ดน้ำมันชวัวทำไปน้ำมันพิดกฎหมายนะ่ะพิดศีลธรรมอันไหนก็ใจคืดจักรยนยังค่อยเห็ดเแล้วก็ใจคิดจะกรย์คิดจักรยนยังคอยพูดนะเออจะุปแล้วก็คือเวลาพูดออกไปเวลาวาจ่าพูดออกไปมันก็ทรงของมาหาใจเพราะใจเป็นผูนกคืดจักรย์เลยยังสรงออกไปทั้งวาจาออกไปสร้างคําพูด อะไรก็ใจคืดซะกอ่อนยังคอยคอยไปเหตุพ่อไปเหตุไป่าสัตว์เข้าไปแล้วกายเนี่ยมันก็ส่งขมมหาใจขึ้นเขาพราใจเป็นปู่เป็นผูกคืดซะกอ่อนยังค่อยส่งกายไปจัดการไปขาอไปทำความซัวเพราะนั่นเพราะยังว่าใจของเฮาเนี่ยมโน่ปุพพังขมมาธรรมมามโนเสถิมามโนม่ายาสเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นไงมีใจเป็นหัวหนาสำเร็จแล้วด้วยใจ ใจตัวนี้แหละเป็นขั้งเป็นขั้งและเป็นตูเส็บเก็บบุญเก็บบขาข้าวสู้จิตข้าสู้ใจเพราะฉนั้นขอให้พวกเฮาเปัญญาวห้มีพุดโธษในใจเฮ็ดยังให้มีพุดโทเน้อพ่อแม่คู่บ่ายจานของเฮาให้มีพุดโธษในจิตในใจถ้ามีพุดโทษในใจเลยขัําความส่วนขามาบ่ได้พอเามีสติอยู่สิ่งใดที่มั่นบอดีเฮา บ, าบ่เฮ็ดอบ่อทาบ่อผุด ในสิ่งที่มันบอถูกต้องเห็ุในทางที่ถูกต้องนี่แหละสรุปลงมาแล้วะพ้นว่าตายระบดศูนเนี่ยบ่เนี่ยตายแล้วเกิดอีกเนอะพ้นว่าพระพุทธเจ้าพ้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพ้นว่าตายระบดศูน่ะตายเกิดอีกเนียคำว่าตายระศูนย์บ่มีผีดอกเพต้องย่านผีบ่เนบาราหานี่ว่าตายระศูนย์ไล่ให้ไป น, นั่งผีไปะทราบลูกย่านผีใช่ไหมเออผู้ว่าตายระศูนย์ ไ ป, ไปนอนผีประสาวอุไลเราเป็นย่างย่านผีมานะผีเนี่ยก็คืด อ, อย่างก็คือวิญญาณออกจากล่างไปนั่นนะมันบอตายแล้มันบอศูนย์ตัวพ่อตายออกไปแล้วก็วิญญาณคือออกจากล่างเอาวิญญาณแต่มีถึงเยอะแยะเป็นอย่างมันยังพอเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าแต่ละวิญญาณมันเป็นขืนของภัยของมันคือขืนวิทยุเนี่ยเอ็เอมเนะี่เอ่อมันขืนมันมากแต่กันขืนตัวไหมัน หมุนเจอกันก็มันก็เห็นกันได้เพราะเห็นกันเกิดขึ้นขึ้นกันเท่าเห็นผีกันเถอะคณะว่าหมุนคืนไปมันคืนมันมันทีเย็บตันไปเออ่ยคืนวิตยนเทามันยังหน่อยเลยเอีมันยังช่อนกันแต่ว่าคืนของวิญญาณเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกมันอยู่แต่ละคนเน่ยยังพวงเท่าจริีแล้วนั่งเฮี้ยงกันซาบลาบเนี่ หลวงพ่ออินก็บอกหุจักขึ้นกันแต่ละาค้นขึ้นเรื่องอย่างหลวงพ่ออินหมดเพราเสื้อเพรเสื้อเพเสื้ออยู่ก็มีดลงไปหลวงพ่ออินเออแมนแมแมนนลงคว่ำหลวงพ่ออินหมดเนี่ยแมนแมนเออฟังอยู่จังสี่ก็มีดแต่หลวงพ่อก็บหุจักขึ้นกันว่าเทาคึ้จังไดนั่นแ่ะอันนีคือือใจของเทาแต่ละคนนี่อมันมีอยู่แต่ว่ามันบหุจักแต่พระพุทธเจ้าบนหูได้บาด เพิ่นมีญากะทัศนาเคยค่ะว่าเพิ่นเป็นนางพาวนาเกียตของเพิ่นเขาสู้ความสงบอ่าเลยก็ฮู้เลยบาดนี่ว่าใจของเขาเุี่ยนคิดอย่างเนี่ยอย่างพระอนุลุทธานแห้งหูจักมัดว่าใจของพวกใดคิดอย่างเออการ์แนเพิ่นขุดจังสันขันเพิ่นหูจักจังสั่นมดกูแน่นเนี่ยเพิ่นที่เป็นยางไงลงพอว่าพระหารในเพิ่นขึ้นจีโบเบิงอยู่ตลอดลงพอวะเออบางทีเพิ่นก็จีฮุบไว้ขึ้นกันน่ะ คันเปิดไปอยู่ตลอดเบิงอยู่ตลอดคือเพิ่นกคือสีหากออกลงไปเออเพิ่นเห็นมนุษย์พนันคิดจริงจี่อพนีคิดจรงสันพนันคือสีทับสวนวุ่นไหวขนาดว่าลนไปเออเพิ่นสีหุบไปเพิ่นยังเบิงพอเลยเพิ่นยังมืนตาเบิงไปเออพอเบิงพอเลยก็เพิ่นก็ะจีพิดตาไวคันสีเบิงทุกปีญญาทุกแนวความคิดนี่เรื่องใจของมนุษย์นี่คือสีงุงเยิงวุ่นไหวนี่แหละอันนี้คือ จุดตูปปาตา ญ, ญาณการจุดติของสปปรพสัตว์แนวความคิดของสัตออแล้วประเภทนี้ว่าสานุสติญาณนี่คือการเกิดการตาย อ, อพวกเขาเนี่ตายแล้วบิดศูนย์เพระพุทธเจ้าว่าคู่บ่ายจานหลวงปูหลวงตาเฮ้าก็เถอะตั้งแต่หลวงปูหมันหลวงปูเสาหลวงตามหาบัวี่หลวงปูหลานี่คู่บ่ายจาย์พวกเขาเนี่ยืนจันทาการมัด หลวงปู่ขาวพ่อแม่คูบาอาจารย์พระปาพระดุงเนไปถามมังโรดด้วยทำไปมาถามหลวงพ่ออินนลวงพ่ออินก็ยืนยันขึ้นกันน่เกอตายแล้วบวสูตเป็นยังยังหูจักว่าตายแล้วบวสูตรเป็นว่าพิธีการพิสูจน์ให้นางพาวนาให้นางพาอหน้ายอย่างพระพุทธลูกนางจะนั่งปักเพียบก็ได้เอแต่ว่านางหนึ่งกําหนดล้มหายใจเขาออกจิตสงบพ่อจิตสงบพ่อจิตหนึ่งเป็นหนึ่งทนาน่ะ จิตร่วมสงบจิตร่วมเท่านั้นะเป็นหนึ่งจิตบกคิดบก๋งบกฝุงปบะสนันร่างกายมันจะเป็นอันหนึ่งร่างกายของห้องเป็นอันหนึ่งใจของห้องเป็นอันหนึ่งเห็นได้ชัดเลยว่่ต้องถามไปบานหู้จักด้วยตนเองเลยร่างกายนีย่ตายแน่นอนถาดสีดินน้มล่มไฟเนี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้มล่มไฟก็าตายไปเลยกับเน่าเหม็นเลยล่ะจากนั้นกาไปเผาก็มีดกระดูก แต่ว่าวิ่นย่านคือใจคือน้มามัดถ้ำนี่ยู่ในร่างกายนะมันออก น, นะบานเนี่ยพอร่างกายมดสภาพแต่นั้นนะคือกันกับรถนะ่ะพั้นมดสภาพนละยมันเ่าไปแห้งนะ อ, อย่างกระติดมดละ่ะอลูกสูกบกระแตกละ่ะอย่างของหัวสายพานกระลุดล้นมดละ่ะโซ่เฟอร์สิเกง่งไปไหนก็ตามไปขับรถมันก็ขับไม่ได้เหตุอย่างไรเพราะรถมันเ่าแล้วอมันจึเป็นเศษเล็กนะ เฮ็ดอย่างไรระโซเฟอร์ก็ออกจากรถเนี่ยรถขั้นไหนก็มีแต่หนูเข้าไปปาหยาพ่องหยาเท่า น, นั้นแหละเป็นเศษเล็กยั่หันน่ยเฮ้าจเจี๊ยเฝ้ายั่หันได้เมื่อวนนันวิญญ่งย่านคือกันกับคนขับรถนั่นคือใจออกจากล่างไปละออกจากล่างก็ไปหาเกิดหมอไม่ใช่แหละไปหารถขั้นใหม่อีกนี่แหละตอนที่ไปหารถคันใหม่เนี่ยสําคัญบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าพระแม่คูบาอาจารย์เพลินวานว่า คันว่าเฮ้าเดี๋ย้สางบุญสางกุศลไหวในขณะที่มีรถขั้นนี้อยู่เนะี่ยให้สางบุญสางกุศลไหวเห็นมีท่านมีศินมิภาวนา่าเป็นคนดีสรุปแล้วให้เป็นคนดีมีน้ําใจพอออกจากรถคันหนีไปแล้วก็มีเงื่อนติดกระเป๋าเนี่พอบุญเนะ่ยมันอยู่งเนยะเป็นขั่งอย่างทีหลวงพ่อว่านเะนี่ยใจนี่เป็นขั้งของบุญใจเป็นขั่งของบาป บ, บุญกุศลมันก็เข่าสูขั้งใจขั่งใจ พอออกจากล่างนี้แล้วมันกับมีทนุนเน๊จะไปซื้อรถคันใดก็ได่บาทนี่อคันนะว่าใจของเฮามีดขี่รถเที่ยวเล่นมัดมือมัดเว้นตะลอนผุนตะล่อนผิวนะบกคืดวัตสุสางบุญสางกุศลบวเชื่ออีกต่างหากตายแล้วศูนย์แต่ตายแล้วมันบอศูนย์บาทเนี่ยพอตายแล้วเฮ็ดยังไงบ่เนี่ยมดเงินบมมีเงินบ่เนี่ใส่ใจในการหาไหวบวเชื่ออีกต่างหากพอออกจากรถคันนี้เลยคดคันนี้มัด สภาพแล้ววันนี้นั่นแหละอาจจะไปเกิดเป็นสั่งมหม่างงูกวายหมูหมาเป็ดไก่เป็นลิงคางบางชนิดเป็นได้ทั้ง ม, ดมัด พ, พ้นว่าพระพุทธเจ้าพ้นว่าแต่นี่ยเพิ่นโมเดลรับประกันเนียว่าเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกบอ่อได้เกิดเป็ น, มนงหง ม, มาก็ได้ในคางพระพุทธเจ้าของเงาเนี่ยเพิ่นหม่ามมากต่อมาเรื่องคนเกิดเป็นสัตว์ทีละฉานออกจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นหมูหมา ก, กาไก่ใ น, นหลักของพุทธศาสนา ขอให้พวกเขานะคะนักทา่าญาติ ง, ง้อมนะขันผู้ใดมีบาปมีกรรมจองเว่นกันไหวเว่นเนี่ยนะจ้องกันตลอดเปิ่นว่าออย่างที่เปิ่นว่าในาทำมาบะในขังพระพุทธเจ้าออยักขีดนี่จิบกิ่นลูกของอีนางหนึ่งนะแลนเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอว่าเนี่ยชาติที่แล้วจองเว่นกันสู่เจ้านะ่ะ เอีที่แรกกัผู้ผัวเออผู้ใช้เนี่ยเออเป็นคนมีตระกูลไปแต่งงานไปแต่งงานกับผู้ยิ่งบรนไดมากะบ่มีลูกเป็นแม่หมันเป็นหมันบาตรฮะเดทั้ทงตระกูลผู้ใช้เนี่ยบอกโอ้ยขั้นเป็นหมันนี่ก็ต้องหาเมียไม่หายหเพื่อจะได้ลูกมาสืบตระกูลทางเมียไม่เนี่ยกั ทั้งเมียใหญ่เนี่ก็้ยันผัวเนี่ยไปหาคนสุมส่มซีซุ่มหามายันเป็นอริจตูกับเจ้าของเมียใหญ่กับห่วงสมบัติมันออกไปเดี๋ยวคอยที่ไปหาให้ยหรอกคนน่ะตกลงกับพี่นอ่องทั้งผัวเจ๊ตรองผัวก็ได้ไปหาคนที่หูจักมักคุณกันที่คนหักกันของเมียใหญ่เอามาให้เป็นเป็นแฟนของผัวเพื่อจะได้สืบตระกูลบกตระกูลใหญ่ตระกูลที่มีเงินเนี่ย เอาไปเอามากกับพ่ออีนั่งหรือมาอยู่น่ำเขาบอกว่าขั้นเจ้ามีเอขั้นขั้นเจ้าะมีลูกในท้องบอกคอยเนาะอีนั่งนี่ยคือเื่อเนะบอกเออคอยตั้งขั้นแล้วทั้งเมยใหญ่มันเจตนาบุตรีเลยเจตนาบุดีคล้ายๆกับว่าจาังไนกูบอเห็ลูกมันเกิดท่านลูกมันเกิดมันก็สีไงเอมันก็สีไงทับถ่วมกูอีกะความอิจฉาเนี่ย บ้าเนี่ยก็แต่งยาให้แล้วบ่าเนี่ยไปศึกษาเรื่องยาแนวใดกินเข้าไปแล้วมันจีรุ่งลูกมันไปมันจีแท่งลูกน่ะพ่อคืนมาก็ให้กินมันลงไปกินมันอีน่างเนี่ยก็แท่งลูกเนี่ะเอ๊ะพอต่อมาอีกพ่อตั้งขั้นขึ้นมาอีกเออบอกกับอกให้แม่ยายอีกอแม่ยายก็แต่งยาอีกกินอีกแท่งอีกพ่อเธอที่สามเลยบ้านอีน่างเนี่ยก็ะแลไปเว้าวให้ไทยบ้านฟังโอ้คอยบอกให้แม่ยายแม่ยายให คอยยาคอยกินคอยก็เลยแทงลูกทางผัวบอกให้งแเถมึงเหนี่วท่นบแมแแม่ใหญ่แทงยายมึงกินเนี่ยมันแทงลูกบอกว่าท่นมึงจะไปบอกแม่บาดเหนียวท่านเออมาในอีนางเนี่ยก็เลยต่างขั้นคือเทือที่สามบอบอกบาดพ่อบ อ, บ อ, บ, อ, บ, อบอกเนี่ยก็ท่องใหญ่ถึงหาหกเดือนได้บาดเนี่ยเออจนแม่ใหญ่เห็นเออแม่ใหญ่เห็นพิษปกติมันท่องใหญ่เป็นยัง เจ้ามีท่องเถิดแม่เราได้สักเดือนแล้วหาหกเดือนแล้วโอ้ไปยังบอบอกแม่โอ้ยบอกแม่สองเธอเลยไม่เถิไม่เถิแทงก็เลยบาทนี้ก็เลยบบอบบอกโอ้เด็ดต้องกินยาปั๊มรุ่งขั้นมแม่ปวดหัวเอยมันเด็กที่สมบูรณ์เลยก็แตงยาให้เขากินอีกเหนือนพอแทงเขาบัดกินบาดเนี่เด็กหน่อยอยู่ในท้องมันตายจนแล้วบาดตายทุร่นทุรไล่เขมันโกมือแล้วก็จะมีเครื่องผ่าตัดออก อันนี้สมัยนั้นมันบอกมีเครื่องผ่าตัดอย่างที่ตายลูกตายอยู่ในทองกับแม่ก็ตายน้ำแหละฮะพอลูกตายแม่ก็ตายนำ้ำเลยแต่ก้อนสีตายในบ้านเนี่ยผูกพยาบาทอาฆาตได้ปะเนี่เออนึกในใจขึ้นมาเนะ่ะสาธุเนาะก่อนข่อยสีม้อยู่บ้านหลังนี้กับแม่แม่ใหญ่เป็นผูกไปขอข่อยมาบา้านในมาเลยก็มาด แดงยาขาลูกในทองสองเธออันนี้เป็นเธอที่สามมาลูกใหญ่แต่คอยก็รษตายน้ำลูกอยู่ในทองอีกาฉันเกิดพบนาชาตนาคอยเให้ได้คาแมย์ใหญ่ก็ปลูกอีกทุกๆชาติไปนี่แหละแม่น่อยนี่จองพยาจองเว้นเลยเด้บาดพอไปทำ ม, มันเจ็บใจเลยจองเว้นพ่อตายป๊บ ไ, ไปไปเกิดเป็นแมวบัด ในบ้านนะบัดไปเออในบ้านหลัง น, นั้นมันมั น, มนห่วงบ้านอยู่ด้เออมันบดกเครียดให้ผู้อื่นมันเครียดให้เม่์ไนย์นั่นไปมันบุกเครียดให้ผัวเทั้งผู้ผัวเนี่ยก็เป็นเป็ น, ปนอย่างมันยังเป็นอย่งที่เมียน้อยก็บอกไอ้ฟั่งก่อนมื่อทตายโอ้ยข่อยทิ่ตายเข้าเนี่ยเมย์ไนยเนยแตงยาให้ข่อยกินนั่นเองบานฮาแล้วผัวก็พ่อเมียน้อยตายมันเกิคือทอดเมียตัวมีลูกอยู่ในท้องอีกกระถามเจ้าบอกเป็นผู้แตงยาให้เมียน้อย อมันกินสามเทือนแม่นี่รีบบอกเลเมีใหญ่ก็อื้อ อ, อักรัรักทั้งผัวนี่ยกับบวชจักสันนักแข่งบ่ชจักศอกจักเขา้าทั้งนนำหมอกจนเมีายใหญ่ก็น่วมไปขึ้นเอาไปมากจช้ำอกช้ำใจก็ได้ตายอีกคนหนึงไปพอตายแล้วไปเกิดเป็นไกดบ้านี่ในบ้านหลังนั้นนะมันไปเกิดเป็นไก่พอไปเกิดเป็นไก่แมวกับไกบ์เนี่ยไปย่องไปกินกินไข่ไกด์บานเนี่ย ไปกินไข่ไก่เธอที่หนึงน่งเธอที่สองเธอที่สามไข่ว่าได้กินบาดนัน่าหพ่อต่อม่าเลยเ็มันหามันกินบุพ่อเนี้ยมันมันบุบเปนสิไข่กู้มือมันบุกลไกเอาไปมากกินไก่เองป่ะกินแม่มันอีกคนหนึ่งแมวกินทั้งไข่กินทั้งแม่มันไอตัวไก่เนี่ยกับผูกอาฆาตเองเออขอให้ขาพระเจ้าเกิดได้เบียดเบียนมึงได้หเอที่แมวตัวนีวะนะ่าไงไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเกิดเป็นเสือน เพราะไปเสือแมย์ใหญ่เกิดเป็นเสือไอ้เนี่ไปเกิดเป็นง่วงนั่นแหละมันเปลี่ยนงั้นเน๊ยเวทนยมันลมันละ ง, งาปะเปลี่ยนเน๊ยในว่าวิญญาณใ่ว่าวิญญาณพระพุทธเจ้าพันหูจักวิถีวิญญาณการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะไปเกิดเนยกินลกูกมันเลยกินแม่เพราะในสูตรมาเกิดเป็นคนบ้านเนี่ยอมื่อเกิดเป็นคนผู้นึงเป็นหยักผู้นึงเป็นคนบ้านเนี่ย ขาเป็นยากเลยคือยังคือผีปอบนี่หน่อยไปเอคือผีปอบผีกะเนี่ยเออพอออกลูกมากกิกนกินลูกมันอุ้งตื้นเงือกกินเอาไปมาลูกที่สองพอลูกที่สามไปอยู่หมองอืดบ้านเนี้ยหนีจากหมอกหันมาหนีจากบ้านนั่นไปอยู่น้องเกย์ญาติใายบ้านมาป่าทาลูกใหญ่ขึ้นว่ากําลังทิบอ่อแ อ, เววเอ่เนี่ยกำลังหวกกวาเกือบสองปีนี่เลยกลับมาบานเก่าว่าเป็นอย่างเราป่านนี้ท่าน ผีปอบมึงก็สิ่งหนีละมั่งเอยอีน่างผีปอบเนี่ยกะหาโยนออกไปมันไปใส่เอ๊มันไปใส่แสดงว่ามันก็บมีญานเคลื่อนออกไปเอาไปมาไม่เห็นกําลังอุ้มลูกคุณมาวัดไปลูกคุนมากับผัวพ่ะไปพ่อไม่เห็นผีปอบตัเนี่กะพ่อเห็นนั่นแหะะเห็นกับบอกอยคออุ้มแล้วสันโอ้ยอีน่างเนี่มันเห็นมันจําได้ดิบดี้ วัดผีปอบมันเคยกินลูกมันสองเถื่อันเถื่อที่สามระบาดเนี้ยโอ้ยมันก็ห่อปลูกกันแล่นในแถวบ้านี้อีนี่กันแล่นน้าหลังมันอไปมันแล่นไปมันยังดีมันเข้าไปวัดปลายเชิดตะวันมหาวิหารไปหาพระพุทธเจ้าพ่อเห็นประตูโขงประตูประตูวัดถนนแล่นหมดก่อนแล้วนะไปเออพระพุทธเจ้ากําลังเทศอยู่อบร่มพี่นองไปใช่ชนอยู่แล่นเข้าไปทีนี้ผีปอบเขาบ่ได้เลย พวกผีเนี่ยเขาวัดบวไรบันพอเหตุไดพรเทวดาเด้เทวดาอารักษ์นี่ยเทวดาที่มีศักย์ใหญ่รักษาประตูอยู่พวกหยักพวกเนี่ยรักษาประตูผีจำน้นเขามากัเงือกเธอเลอร์นี่ยเขาบวไรแห้งย่านเด้แห้เขาไปบวไรอันี้เห็นย่างนี่ก็แลนเขาไปกับกับกาบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอีหยังมาใช่ไก็เลยบอกไอ้ฟังว่าผีปอบกินลูก พี่ปอบขี้กะอมนุษย์ถึงกินลูกผู้ขาสามเทือแล้วนันใสมานี้เพิ่งกันเลยว่างไปพอว่างไปก็เรียกมันมาโอ้ยอย่าไปเรียกมันเมาสมันจะกินลูกผู้ขาเอ้ยที่เป็นยังวาสันยุนนาต้อนนาเล่ามาสันเพราะพู้ใจเจ้าอ่ะจะเนี่ยเออเอิญมาเอิญมาเพิ่งกระ่อยฟังนี้นะสู่เจ้าสองข้นี่นะบินญ่านอมนุษย์ทินะกอมนุษย์นีินะสู่เจ้าของเจ้าความเว้นมันเกิดมาจากไสเสันบ่งหัจักแล้วสันะ นั่นแหละมันเว่นคือมาจากสุเจ้าแย่งผัวกันพร่พว่าเจ้าพวัลน่ยต่อไปนี่ให้เอาโหัสีกันจะได้ขันโบรเอาโหัสีกันมดพอเป็ี่ยนเว่นยิงใหญ่ขึ้นไปหนาเรื่อยพระพุทธเจาเ้าพนว่าต่างคนกับต่างเล่ห์ให้เอาโหัสีกันเห็นโทษมันะและอืปพอพอถือโทษโกรธเครื่องกันเว่นก็เลยระงับนั่นแหะแต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็เล่ห์ให้ห ย, ยักตัวนี้แหละไปอยู่กับ บ้าฑอีนางนี่ยเป็นผูดูแลใครเขาว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันเวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระ ง, งับไปได้ด้วยการจองเวรเพราะนั้นสิงมูนีในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพ้นว่าตายแล้วบอศูนย์ทํากรรมไม่อย่างไรวกรรมนั่นจะตามสนองการทากรรมโมดีจองเวไรไวเวรน่ะก็จะต้องก่อกันก่อกรรมทําเวรต่อกันบ่ไม่ที่สินสุด พนันพวกเข้าเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมํามสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเข้าเชื่อไปนะเนอะเชื่อพระธรรมํามสอนเออเชื่ อ, อ, อขั้นบวอยากเชื่อก็ให้นั่งเข้าวันหน้าอย่างที่หลวงพอเบอทาจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบสนั่นแหละจะฮู้ได้ด้วยตนเองแล้วว่าตายแล้วบอนะอ่อสุดนะเออตายก็คือกันครับร่างกายกคือกันกับอกลถ อยู่ในป้าหญยาจ้ะน่ะรถท้างเลยรถแกนะ่นะรถเท่ารถมันมดสภาพเนี่ยแต่โซ่เฟอร์นออกจากรถได้ป่ะไปหาซื้อรถขั้นใหม่ขันน้ว่าซื้อรถคันใหม่ขั้นผมมีทุนผมมีเงินกันนั่นแหละไปหาเกิดเป็นหมูหมากาไกลไปแล้วบัดตกตำ่ำเพราะนั้นพวกเข้าได้เกิดมามพบภพกุศลศาสนาให้สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วบ่อสูญ อในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วเกิดอีกบาปปุลขุ่นโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเกิดมาชาตินี้ก็จะขั้นผู้ใดอยากติดคุกก็บรยากาอไปขายยาบายาหมาลกไป ป, ไป่นไปไปรักไปขโมยไปเฮ็ดบุตรีท่านนั่ะเขาก็จับเขาคุกหลวน่เฮ็ดซ่วมก็ต้องได้ซ่วมเฮ็ดดีเลยเออเฮ็ดดีอย่างพวกเขามาทำบุญทำท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมีเมตตาต่อกัน มีต่คนยกย่องเฉิดชูบูชาตัวเองก็มีแต่ความสุขลมเย็นเป็นสุขพอบริเหตความซัวนะถ้ำดีเลยจะได้ซัวเลยจังเลยถ้ำซัวแล้วจะดีกะ บ, บอมีพอนั่นขอให้พวกเข้าทุกคนนคณะชาธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเกิดมาพบพรพุทธศาสนาให้สังสมพุทง่ามความดีให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีตายแล้วบ่อศูญย์นะลับพรในตนอนโมธนาให้พร